อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ396 1. ิกภิกษุรู้ว่ากรรมนั้นทำไม่ถูกต้องแยกกันทำหรือทำแก่ผู้ไม่ควรแก่กรรมจึงรื้อฟื้น 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติหกโกตนาสิกขาบทที่สามจบ